Five. ต่อ จำเปนเนื่องจามีชอยู่จะต้องรับทานกันในรับทานหล่งายต่เห็ืเหนหน่ยมีธรรมะเ่จามีกมีใจอยู่ก็จเป็นนามาพิ้ิพารนะนำมาชใจของเรา จะเป็นของเก่าเคยได้ยินได้ฟังแล้วเด็กอ่านเรื่องมาแล้วก็ตามแต่สที่นี้พี่แกน่ะในธรรมะนั้นเพราะธรรมะเป็นเรื่องยังจิตยังใจให้ผ่องใสยังจิตยังใจให้สงบเย็นคนมีธรรมะเป็นคนจิตีหน้าตาอย่งใสสดชื่นง่ายง้อ เสารมอเหมอนคนจิดม่มีธรรมะในใจคนโลภคนโกรธคนหลงมีมากถ่วงทับจิตใจเท่าไรคนนั้นหน้าตาสนนี่ทำยินมยย้มแจใสมีแเสาร์หมอหน้าดูพูดออกมาทางวาตาก็เป็นอเป็นภัแสลหรแลงใจของสุ ระัับตังค์ทำไปทางกายควมีทางเสียหายควมที่ยับเยินไม่ให้สุ้ในสงบแก่โลกอยู่คนขาดธรรมะธรรมะคนนี้อยู่ที่อื่นมีอยู่ที่กายที่ใจทั้งสองเราท่านสื่อส่อการธรรมะศาสนาธรรมะหาความสงบละงับยุดตัญหา แต่ต้องติดในพิจาทณาธรรมะเกี่วัพิาตายใจของตัวการพิจาราตายใจของตัวนั้นที่จะเกิดเป็นธรรมะขึ้นก็เพราะอาศัยมีสติมีตัณญา่เจาราเหตุผลโดยใส่พิจารณาเข่าตัวท่องตนพิจารณาเข่าตัวสายเดียวมันเกิดเป็นความโลกความดากได้ เกิดอิจาเกเดเบียงคนอื่นไปในทางจิตทางเสื่อเสียหายเน่าเราพิจารณาใ น, นาทางอัดทางทำจิเขียอกเขาอกเราจะพูดไปในทางเสื่อทางเสียอะไรก็คานึงถึงคนอื่นเขาว่าเขาเกิดจากเราแบบนี้เราจะมีความยินดี ใจไม่เมื่อเหนื่อยโซพูดกับเราเราไม่ใจเราแต่อย่าไปพูดกับเขาในสิ่งที่่วยตื่นเสียอย่างนั้นพอเขาฟังแล้วเขาก็ไม่ใจไม่พอใจเหมือนกันเขากบคนเหมือนกับเราเราไม่พอใจไม่ยินดีเหมือนใสในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ยินดีนั้น อย่าไปให้คนอื่นเขาถ้าไปให้คนอื่นเขาเขาก็ไม enfin ่ยินดีใจเหมนใจเหมือนกันกับเรานี่หมายถึงจิตมีธรรมะในจิตในใจใครควรเกิดผลสิ่งสี่วเฉวเสียต่างๆอย่าไปพูดอย่าไปทํำถ้จังไปทําดูพูดดีู่ในสิ่งที่ชเฉีวสิ่เสียนั้นถึงคนนั้นจะว่าเป็นคนมีธรรมะก็หาธรรมะนี้ไดา ในใจในใจของเขาถึงคนอื่นเขาจะนิยมชมชอบว่าเป็นคนดีคนว่เศษขนาดไหนถ้าหากการทําการสื่การคิดทางใจยังเป็นทางเสื่อเสียอยู่คนนั้นก็ได้ชื่อว่าคนซั่วคนเสียคนจะนิยมชมชอบขนาดไหนก็เอาจริงเอาจริงเลยได้เพราะคนเรา โลโลกอันนี้มันมในใจใจมีสติมีปัญญาเส ม, มอหนะ้าเส ม, มอตากันส่วนตัมันได้อสติปัญญาได้อยธรรมะมันตัมีส่วนมากคนที่มีธรรมะมีปติปัญญาในตัวนั้นมันหายากเ ต, ตือมีไม่ถึงขัน้นถึงขิดพอรักษากายกาใจใจทั้งเตือได้ไม่เป็นบ้าเป็นบอเท่านั้น ถาหปวดสิ่ธรรมะยิงจังสี่พักอริยเจ้าสันไรสันเห็นนั้นสวนเราไปงเป็นบ้าเป็นบอกรักนเรหยอกเงินกันเรเหตุใดก็สิ่งที่ทันชื่นทันซอยวางันละนถอนสวกเราหอบพี่หาบหามเอาในสิ่งที่ทันในชอบในศาสนาถันละทันถอนไปแล้วเรวก่อปวยเอา เราเะว่าเรามีปัญญามันกลมถูกต้องเพราะปัญญานั้นสามารถที่จะรู้สิ่งที่จิถูกเชื่อดีจริงจริงจังจังึงได้คิดว่าผมมีปัญญาเีื้อจริงจร่งทันทีทันต่อว่างทันลาถอนเราไปเก็บเอากลมเงนกันทร์ว่าเหล็กมะพร้าวเกลือขนมสิ่งคนอื่นเขาไม่กิน ในรัทากันแต่เาเอามาขบมาฉันมาดูมากินหรือกระดูเป็นคนอืนเขาไปกินเนื้อก็ากินกันเวลาคกหอบหิวหอบหามากินกันอย่างนี้หมยถึงว่าเราไมมีปัญญาทำกิริยามีปัญญาเป็นคนบ้าคนหนึ่งสมบูรณ์นั้นหมายถึงว่าทํำโลก ความโกรธความหลงของจิตใจของตัวเราท่านมันยังแน่นยังเติมอยู่ไม่มีอะไรตกหล่อนออกไปทั้งๆคืาใจเราตัวเองมีสติมีปัญญามีธรรมะอย่กมักวอหอบผื่นหับถามเอาจิตสีมานะเอาจิตเลือตัณหาสะสมเอาไว้ทุกวันทุกเวลาไม่มีโอกาสที่จะละจะถอนนี่จะหา สิ่งที่เชื่เอเสียเพิ่เมเติมบำรุงจิตใจให้เชื่วให้ต่ำให้เดือดร้อนให้เวียนวายอยู่อย่างนั้นความคิดทางใจแทนที่จะคิดละถอนสิ่งที่เชื่อเสียต่างๆมันคิดแสวงหาสิ่งหล่า น, นั้นมาบำรุงบำเรามันเข้าใจว่าได้อันนั้นมีอันนี้จะมีความปุกความดี ตามเดิมอย่างนั้นอย่างนี้มันคิดไปในแง่ที่ผิดมันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดระยะเวลาทางศาสนาคนคิดคิดไปในแง่อย่างนั้นท่านถเอว่าคนบ้าแต่คนธรรมดาอยู่ที่ชนคนหนาเรานิยมชมชอบกันทางศาสนาท่านสอนแต่ที่เจนมา หาสาเหตุหาผลที่เกิดขึ้นโดแจะเกิดอันใดนำความร้อนความทุกมาให้เกิดอันนั้นอย่าไปคิดมันอย่าไปผูกมันอย่าไปทํามันเกิดอันใดนำความตกความจเจริญมาให้หรีบจะทําบำเพ็ญเกิดนั้นเพื่อกายใจของพวกเราท่านจะมีความตกความสงบ นี่คือเรื่อของธรรมะจิตควร ค, คิดในใจิตในใจขาะในรูแบบ้จักทั้งดีชั่วผิดถูกต่างๆมันก็ไม่มีทางที่จะรักษาจิตใจให้ตั้งมัน่นให้สงบให้สุกได้เพราะความสุกมันจะตมม้องมีเหตุความสงบมันจะตมม้องมีเหตุมันจึงนกสงบหยุปกติ มันคิดตปววอกแวกยิ่งกว่าเรีงยงไปอ่กคิดไปต่างๆนานาไม่มีโอกาสเดวลาที่จะสงบดังนั้นทางธรรมะทำจริงหาสาเหตุของมันทำไมมันจึงคิดไปเปลืองไปยิ่งเกี่ยวกิดขอ้อยึดถือในสิ่งนั้นนั้นถ้าเราคิดในทางธรรมะ มันก็มีทางละทางถอนทางสอยทางวางของมันเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่แก้ไ้ใจที่เอบืบอเบอเสื่อเสียต่างๆให้สว่างสวัยให้สงบสุขด้ถ้าธรรมะไม่มีคุณค่า้ะฮะแก้ไขปัแหามาทิ่ ท, ทาาีของคนไม่ได้พระพุทธเจ้า เ, าเรืเรออยๆส่งผัวไปท่านก็มีความสุขความสบาย มีความวุ่นวายสัดขอ้องเหมือนพวกเราทั่วไปมีท่านสงบ ท, ทั้งสองสี่ตามีหูมีจมูกด <c oughs> ิ้นายใจมีแต่ท่านกะไม่ดิ้นรมลำบากยากยุ่งเพราะเรื่องเหล่านี้เพราะทำมีธรรมะพ <c oughs> ิจารณาหาสาเหตุติดจิตใจไปข้องจิตทิ้งยะต่างๆนี <c oughs> ่คือทาง ควรทีินิพิจารณาทางจิตควรจะปับปรงจิตใจของตัวเสริมวเศษื่อดีต่างหากเราในนี้ความ่ิพิจารณาอย่างนี้ความหลงๆยึดเหยื่อกับสิ่งต่างๆมันจะไม่มีทางปล่อยวางไปได้นใจจะยึดจะเชื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจเลยนี้ท้นสงบหรือมีความสุขให้ เมื่เรามีความสุขมันเเป็นบุญเรนคือความสุขเราจะทาอย่างไรจิตใจของเราจึงจะสุขความคิดเป็นอย่งเดียวตามอารมณ์สัญญานั้นมันทาให้สุขแต่ะบายหรไม่เองาการทาให้ความเดือดร้อนหุนวายของใจสรีิตพิจารณาสาเหตุของมันความคิด ขเ่าเราท่านมันเป็นสิ่งที่แย่ใช่ที่เดือดร้อหาของมีเป็นสิ่งที่สะสมที่เดือัรหาของมีเหดุที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะของเราท่านไม่ได้ที่นิพพานาดูว่าอันนี้มันจะนำความดีมาให้หรือจะนำความเสียหายมาให้อะไรผ่านมาทางตาทางหูของคิดไป เหนือจิตโดย ไ, ไม่มีสติไม่มีปัญญานำพาความคิดนั้นมันก็คิดไปได้ทุกเมื่อทุกนิจิตใจจึงมีวันสุกวันสบายวันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดมาเพราะเราเหนสาบสาเหตุความสงบความสุขความสบายเหนสาบสาเหตุความวุ่นวายถัดข้อง้าหากเราทรา มาอะไรเป็นสาเหตุที่ทํำจิตทําใจใหเดือดร้อนวุ่นวายทําจิตทําใจให้สงบสบายเราก็สามารถที่จะขับไล่สิ่งที่จอมปลอมของใจสิ่งที่เป็นวิเฤติปัญหาออกไปจากใจได้นี่เราไม่ได้คิดในคํานึงเรื่องเหล่านี้จิตใจจึงว่าวุ่นวุ่นปั่น เดืยดร้อนเป็นทุกข์ตลอดมาไม่มีโอกาสเวลาที่จะสงบจะเย็นจะสบายเท่าที่ควรได้ดังนั้นทรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะนำมาสอนายสอนใจของพวกเราท่านให้ั้นเข้าขั้นความสงบความสุขหรือเหตุรูปผล ดีเชื่อต่างๆความคิดที่ว่ามันเป็นธรรมะไา้กิเลสหรือความคิดที่ว่ามันเป็นกิเลสตัญหามันก็เกิดขึ้นมาจากภายในที่เกิดขึ้นจากใจของพวกเราท่านใจคิดโดยขาดสติปัญญาที่มิจฉาเน่าเหนื่นอนมันก็หลงไหลเดือดร้อนเป็นคิด ไปในเนี่ยให้เกิดความโลภความอยากได้เกิดราคะตัญหามันก็คิดขึ้นมาจากจิตจากใจเน้นกันคิดไปในทางอัจทางทาทำให้เบื่อหน่ายท่ายกําหนักทำให้ตัดคำโลภตันหาไปได้มันก็คิดาาขึ้นจากใจคิดอย่างไรมันจึงจะเป็น ไปเกี่ยวกับความลาภถอนเป็นอดเป็นธรรมนั้นเราเองควรกําหนดที่นิตนะ่ใจนะให้รู้เหตุผลในจิดในใจของตนคิดไปในทางเกื้อความโลภอยากได้คิดไปทางกําหนัดยินดีนั้นเราพอทราบเพราะเราเคยเห็นเคยเป็นในจิต ใ, ในใจของเราตลอดมา เมี่อใครเคยปล่อยวางละถอนเหล่านี้โดยเคยเห็นความสงบเย็นของใจจริงไหมมีความพยายามที่จะละที่จะปล่อยวางเกี่ยวกับเดือดปัญหาของใจเพรเราเคยเห็นในส่งของมันคิดไปเนี่ยที่เกิดที่เดือดปัญหาราคานั้นมันก็คิดไปในทางส่งเสริม ความสวยงานตามหาแลวเล้อเข้าใจว่าเราจะมีชีวิตยืนเย็คงอยู่รลยะยาวนานไม่มีโอกาสเวลาที่จะละโลกไปคิดว่าได้อันนั้นได้อันนี้เราก็จะมีโอกาสใช้อย่างสี่งเานั้นจะนำความสุขความสบายมาให้หาก ในแง่นี้เราขยันมันเพียนหาทางสุดกริตทางธรรมะทัานจะเมตเพว่าผิดจากอาจจากธรรมพอเร า, าเป็นคาราว่าจะต้องแส่แยงหาสิ่งต่างๆมาบํารุงมาไว้เพื่อจะด็ช้าในเวลาจำเป็นเวาลาจำเป็นมันมีสิ้นขาวป่วยเจ็บเขา้า เราไปทํำไปหาในได้จะได้อาศัยสมบัติของของที่เราหามาไว้ใช้จ่ายอยู่จินรักษาเวลาที่หาเในได้จะต้องคิดอ่านเอาไว้แล้วพยันามนันเทียนทำการงานที่เราจะได้มาสิ่งสิ่งของหนึ่งนั้นโดยทางสุดจริต ถ้าเราคิดเราทําแบบนั้นมันนเป็นผิดธรรมะมจิตพระพุทธเจ้าต่อเาไว้แต่นี้ความโลภในจิตในใจความอากได้มันมีมากไม่อยากทําจะอยากได้อันนั้นไปอยากได้อันนี้ก็อยากได้แต่กามเรามือทำจะให้ได้มากสิ่งในสิ่งเหล่านั้นมันไม่พยายมันเียนให้ มันก็มีอะไรเมื่อเขามีขึ้นเราก็อิจฉาหาโดยความสุจริตไม่ได้ก่ขโมยเขาปนขี่เอานย่แบบนู้แหละเราแสวงหาในทางสุจริตเมื่อเราแสวงหาอย่างนั้นทํำด่างนั้นคนที่เขาถูกเราไปรักไปขี่ไปปนไปขโมยของเขาเขาทราบเข้าเขาก็อิจฉา ตามมาฆ่างานเบือดเรียนตัวของเราตัเกิดทุกเกิดทั่ขึ้นในจิตในใจในความรอบครอบในเหตในผลไม่นี้นอกจากนี้ความตำหนัดยินดีมันก็เกิดขึ้นจากจิตจากใจภายในอีกเหมือนกันตาเห็นสิ่งที่เราชอบเราเห็นที่วิจารณ์นะสอไปภายใน คิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันสวยมันงามพอเติมกำนังพอใจอยากได้รักให้ไฟฝันหนักเข้าก็ทำความเดือดร้อนเอสียใจปวดกองตัวและคนอื่นแต่คนมีทํานะเกียรตละความกำนัดยืนดีนั้นท่านก็ให้ที่เจ น, นตาเห็น ก่อนที่เ ย, ยนารูปเหมือ น, นั้นเรื่องเหมือนนั้นว่ามันเป็นอะไรกันจริงจมันมหน่าหนาดยินดีดีมันเป็นของไม่มีคุณค่าหนาดยินดีไปมันให้ความสุขความสบายใจไหมยริ่งเหมือ น, นั้นมันตั้งมัน่นคงทนไหมหรือมันมีกาเรเปลี่ยนแปลงแปรปรยนตามสถานภาพของมันจะต่อที่เ ย, ยนาให้ทีทั่ว หาเหอุหาผลเพื่อแก้ไขสิตใจของตนที่คล่องจิดโตออกไปหมดออกไปน <c oughs> ีออุบายที่สี่รางครมีธรรมะจะต้องสืบหาสาเหตุของมันถ้าเราสืบหาสาเหตุองมันความเดือดร้อนของจิตของใจนั้นมันไม่มีวันสงบมีแต่ปอบวนเรื่อยไป เขาแก่แทนที่ว่ามันเคยอยู่ตระงโลกมานานมันจะเบือ่อหน่ายเรื่องข่างโลกเพราะไม่มีปัญญาไ ม, ม, ม่มีธรรมะมันเลยมีวเวลาเบือ่อหน่ายฮะตาจะยังอยากเห็นหูจะยังอยากฟังจมูกจะยังอยากดมลิ้นจะยังอยากรบต่างๆน า, านาะตาจะยังอยากสัมผัสมันเหม่มี อาจมีทํำมันเป็นอย่างนั้นมันเลยมีความสุขความสงบให้ผ่าหาการที่เย็นเราเกิดมาแสวงหาทิ้งเหล่านี้เคยดีเคยใช้เยี่ยใจเคเห็นเคยได้ยินนะทิ้งเหล่านั้นมันเป็นไปอย่างไรมันคงส่งคงวาเลยอไม่หรือหากสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินนั้นมันเสื่อมไม่นสลายไปสิ่งที่เราอยาอีก เราพอใจนั่นจะทำนองเดียวกันกับสิ่งที่เราเคยเห็นเคยผ่านมาจากตาจากหูโดยมีอะไรที่มันอยู่คงตัวโลกอันนี้นี่คือทางที่แกนะเพื่อละเพื่อถอนเพื่อแก้ไขจิตใจสิ่ของสิทธิระต่างๆตัวพวกเราเองก็มีโอกาสเวลาที่อยู่ในโลกได้เพียงนิด ห, หน่อย ต่อไปเราก็จะต้องฟายตายไปแล้วจริงๆเราแสวงหาเราเมินไหนเราอยากได้เรายึดถือมันง่ายได้ไหมหรือเราเป็นอย่างไรเพื่อจะตัดความโลภของใจที่มันอยากให้น้อยลงไปเบาลงไปถ้ามันไม่คิดอย่างนั้นอะไรต่อไปใจจะหอบจะหิจะแดาจะหามเอาไปเลยคิด ว่าสิ่งเหล่านั้นเราเอาไปเลยได้เนี่ยตายของเราก็จะตรงขัตงต้องเขาต้องถอดทิ้งเป็นยินเป็นน้ำเป็นลม เ, เ, เป็นไฟไปตามหน้าผิวของมันและสิงเหล่านั้นมันกบทำนองเดียวกันเรามีใจหอบอยู่หาความไปได้เหมือนกันแล้วเราทำไมมาหลงยึดถือจิตข้องอีอย่างนี้สอนใจของตัวนี่คือคิด เพื่อจะแกจิตใจทังตัวให้พอเป็นธรรมะหาความสงบหาความสุขจากอาจจะยําเมื่อจิตในติดเรื่งเ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้โลกอันนี้มันมีอยู่แต่เราก็ไม่จิตในโลกเราจึงอยู่แตวดสบายเวลาตายล้วก็เหม่หัวหม่หัวงพรเหตใดเพราะเ้าละเราถอนเรารู้เราถอนใจ ว่าโลกก่เป็นโล่แล้วไม่มีอะไรไม่มีใครสิจะมีอธทษตย์แดกหามหอบเที่ย่ไปด้ใครตายก็เหมือนกันพอหมดลมหายใจเท่านั้นมันก็หมดติดจะไปแสวงหายึดถือสิ่งของต่างๆนานาที่เราเคยหา ไ, ห ว, ไหว้เจอใคร เขาหยิบกแบกถามไปมันตัวมีจิตอะไรแมแต่กยายของเราแขนงาสะยกเลยขึ้นจะหยิี้แกล้งไปเต็นตายยุดว่าตายเนี่ยมันตายมันเน่เราไปไม่ได้อย่างนั้นจิตใจที่มันวุ่นวายายาได้ยมดหลงแล้นไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ นอกจากจะเป็นทุกข์ใจจิตไปจิดอะไรค่องอะไรในทางเสื่อทางเสียมันก็ไม่อยากจะได้เกิดในทางสั่ำทางเสียท่านทีแม่สอนให้รู้จักในการนึกคิดการปรับปรุงจิตใจของตัวคนเรามีสิทธิจะนมกคิดมีสิทิ์ที่จะปรับปรุงตัวเองทางสะอาด ก็มีโอกาสเวลาที่จะจะรักษาจะปฏิบัติให้จิตใจของใสให้จิตใจสงบให้จิตใจเย็นให้จิตใจเป็นสุขทางโลกจะอยู่ในโลกตังแต่ันเกิดจนกระทั่งวันตายอายุมากขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขความโลภโกรธหลงออกจากใจทั้งตัวได้ ไฟทั้งสามกองกจะเผาตัวพงตัวอยู่ตลอดเวลาเดือดร้อนยุนน่นยากอย่างนะั้นในวันสงบเหมือนไฟต่อไฟภายนอกคือมันไม่มันเผาถูกที่ไหนต่อตามไม่ว่าเฉียงว่าช้าว่าหน้าว่าหลังอ่าไฟมันถูกเขา้าเราไปยิ่งทำร้อนความเี็บเป็นธรรมดาแต่ไฟภายนอกเรายังรักษา มันหม่มันเผาตายของเราไอ้มันเจ็บมันปวดตายภายในคือราคัตินาโทวัดกินาโมหักินาความกำหนัดยินดีโอบหลงต่างๆที่นั้นมีอยู่ภายในใจทําไมเราถึงไม่คอยแกะไขทําไมเราถึงเห็นเหล่าไฟเป็นของเย็นของดีแล้วมันดีจริงจังไหม มันเหนยจุกขค่ไหนเราก็เคยเดินเคยเห็นมาแล้วแต่พอไหนเจริญ่าเพอไหนมีปัญญาคนไหนมีปัญญาหรือมีธรรมะมันจึงเกิดเดือดร้อนมันสนปรารถนาให้คนที่มีธรรมะในจิตในใจท่านจึงได้เสียบมีความสุขความสงบดังนั้นเราพวกคนปลูก ขอมาตกฝนอบรมจิตใจทั้งตนก่อเพลิงไขคิดี่ดวิจแนาธรรมะมันอยู่ที่อื่นอยู่ที่าที่ใจของเราตัหาราคะมารณาชิก็มันี้อยู่ที่อื่นอยู่ที่าที่ใจเหมือนกันดันั้นสิ่งที่ดีต้องมีอยู่นี้สิ่งที่ชั่วก็มีอยู่นี้การภาวนาก็คือการกำหนดรู้ สิ่งท bon <N ereal isi shrimp> ี่ดีเชื่อผิดถูกต่างๆเพื่อจะได้ละได้วางได้จะทําบงเทนสึ่งคือเชื่อผิดเสียควนปส่อยควนวางออกไปก่อควาจัดขับไล่เดือดจิตดือดจันญาเมื่อผิดคิดก็เตือนว่ามันผิดมันไม่ใช่ของดีของดีใจของที่มีคุณค่าสาะนอกจากจะนำ ความเดือดร้อนความคึกมาให้เหนือมันจะพูดจะทําจะมีสติกวเตือนตัวโค้งตัวไม่ให้ทำไม่ให้พูดในทางสิ่วขวดสเสียพอพูดไปแล้วทําไปแล้วกรรมที่เราทําไปไในสิ่งใครคนอื่นเขาจะรับตัวพค้ตัวเองเป็นสิ่จะรับกรรมที่เราทําออกไปพอเราทราบ ต่อใจจริงใจงอย่างนั้นมันจะปล่อยพองมันวางพองมันพเพราะความขั่ความเสียต่างๆนั้นทุกคนในศาถนาตัวพวกเรากป็นในศาสนาเหมือนกันเมื่อเราเป็นศาถนาเราไม่ต้องการเราเป็นควรทําควรพูดตลอดควรคิดในสิ่งเหล่า น, นั้นแก้ไขมันสิ่งได้จ่งหนึ่นเกิดประโยชน์ ไม่มีโทษมีทุกข์ผูดไปทําไปคิดไปทําจิตใจให้สงบให้เย็นได้กระวิดกระทําบำเพ็ญในสิ่งเหล่านั้นให้มากเข้าให้เพียงพอในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราทําถูกผูดถูกคิดถูกตัวพองเราเองก็ไม่จะ ห, หนีมินคาแต่เรา มีความทุกขความเสียจากก า, ายมาจาจากใจทั้งตัวแล้วความเดือดร้อนความทุกข์มันจะเกิดมาจากที่ไหนเพราะไม่มีอะไรที่เป็นโทษเป็นทุกข์ในจิตในใจใ จ, ใจิตใจของใสจิตใจเบิกบานจิตใจเตื่นจากหลับจากหลงนี่คือพุทธะทรงไว้สิ่งความดี แต่กว่าตลอดการตลอดเวลาเกี่ยกับธรรมะปฏิบัติกายวาจาใจทองตัวละเชื่อมเพลินดีแต่จะดีควนขึ้นเรียกว่าสังขะมันจะดีอยู่ในกายในวาจาในใจในตัวของผัวเรา่ันเดี๋ยใช่ไหมมันมีอยู่ที่อื่นพุท ธ, ธะก็ดีธรรมะก็ดีสังขะก็ดีแต่เราใส่ใจว่าอยู่ในนี้ มันอยู่ที่อื่นความโความปวดความหลงนี่อยู่ที่ไหนแล้วก็พยายามดับสิ่งเหล่านี้ให้มันตกออกไปให้มันหมดความร้อนความเย็นในตรงเปหยกว่างมาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นเมือนเราดับไฟถ้าไฟมันดับไปแล้วความเย็นมันก็เกิดขึ้น ความเย็นมันมีอยู่แล้วไปไลมก่อขึ้นดังขึ้นเผาขึ้นความเย็นอย่างนั้นมันก็หายไฟนี่จิตใจของพเราท่านมันป็นเป็นบ่อเกิดีองดีและชั่วกาหนดชีวิตปัวเองนะเราต้องการสถานะความสุขความสบาย เาส่องที่นิจัยนาห้าเหยื้องมันเหยื่อขี่ส บ, บายนั้นมันเกิดมาจากอะไรถ้าเ้าเห็ที่นิยนาอย่างนี้มันจะไม่มีทางที่จะทราบได้ความชัความดีมันเป็นอย่างไรมันเกิดมาจากที่ไหนเมืม่าใน้าเหย้่ทางเข้าทางออกของมันมันก็ปิดกั้นไม่ได้ทำความเจริญให้มากไม่ได้ การที่เจน่าหาสาเหตุของมันในหัวใจเราในแจะไขเราไม่มีใครที่จะแจใไ้ให้การที่เจน่าอรื่างเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะที่เจนาฝึกฝนและสอนตัวเองเรายังยินดีในวัฏฏะคือการเกิดตายอยู่อีก จะไม่อยากประกอบพวกพวกที่เราตากน้าเราไปเว้นจากชั่วจากเคี้ยต่างๆนานาที่มันเป็นทางมาเจอความทุกข์ความเดือดร้อนพยายามสะสมสิ่งที่ดีเอาไว้เหมือ น, นเราปลูกปลูกพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเอาไว้ เราก็ต้องได้อาศัยมันดอกเบี้ยออกผลมาเราก็จะมีโอกาสเวลาที่จะได้รับมาผลที่เราปลูกเอาไว้าเราปลูกอะไรแต่ตาคณะอยากจะอยู่ต่กินสะดวกสบายในสิ่ง่านั้นมันก็เลยมีรันเวลาเพรามันไม่มีต้นดอกผลมันจะเกิดมาจากที่ไหนมันจะมีต้นมันจะมีดอกมีผล มีความปลูกความสบายในทบชาต่อไปเราในเดือนหนายในการเกิดตายก็พึงสะสมเอาไว้ทานเป็นทางนำมาสิ่งโภคสมบัติต่างๆเราเลยให้เลยทำไปโดยความฝึกจิตในจิตในใจของเราอุษณ์ผลบุญนั้น มันเหนื่อยตบหล่นเหายไปยยยยยยที่ไหนกายตายแต่จิตใจของเรามันยังอยู่มันจรงก่อภพก่อชาติอีกเมื่อ ม, มันก่อภพก่อชาติอีกเชื่อเชื่อบุญกุศลที่มันสังอยู่ในจิตในใ จ, ใจท่องตนสึ่งเคยเด็กแะทํามันเต็มเอาไว้มันจะตกเบาออกฝนให้คือไปเกิดในสถานที่เหมาะที่สมมีสติปัญญาแสวงหาทรัพ สะดวกสบายหนีหมายถึงมาเกิดในมนุษยโลถ้าไปเกิดในเทวโลกนั่นมันไม่ต้องแสวงหาอะไรเกิดก็ไม่ต้องหาเพราะหาไม่ยากเพราะบุญกุศลสง่นให้แผ่นดินเรียกวลา เกิดเป็นทวทวดาเกิดในเลานั้นใ น, น ม, มีพ่อมีอแม่เกิดพ่อกรรมของตนบุติกาพือเกิดพบขึ้นทีเดียวเป็นผู้หญิงคนดเดๆเป็นผู้หญิงเหมือนมนุษย์เราเพือเปิดขึ้นโตๆอย่างรวดเร็วเรา ไม่แชรเท่าจนตัวอยู่เอะไระยะจนเงินหมดบุญหมดกุศลก็แวบไปหายไปมีหมายถึงพกเทพเกัวบุตรเทวดาเกิดง่ายในทตเลนอนในท้องในพันเหมือนมนุษย์ธรรมดาเืิดมาแล้วที่อยู่เพื่ออาศัย คือบุญกุศลที่ลราสะสมเอาไว้ในสมัยเรายังไม่ตายก็อุจออกดอกออกผนให้มีปราสาทวิมาสถานที่อยู่สะดวกสบายเดต้องไปก่อสร้างบ้านช่องหงหักอะไรแต่มันเกิดขึ้นโดยอนาคของบุญอยู่สะดวกสบาย อาหารการบรโภเกิ่หนึ่งกิโโอมันก็เกิดขึ้นโดยบุญหลือเกินสตัวสะสมเอาไว้ไม่ต้องไปแสงหานีนเพืพวกที่มีบุญแต่ทเอาไว้ถาหดกรรมส่วนนั้นหมดบุญส่วนนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเศษกองกรรมที่เคยทำเอาไว้ไม่ต้อเกิดไหม พบในชาติคือดีคิดแตกต่างกับคนที่มันมีบุญมีกุศลสัง้งใงใส่ใสะสมใส่แต่ทำเอาไว้อย่าไปคิดว่าทำไมยได้มันทำได้ในอย่างนั้นก็มีนมคนดีคนชั่วมมีเทพบุตรเทบพบิดาตามโลกมันก็ละเอียด จิตแตกแตกต่างกันมันเสมอกันรูปตโลกก็เหมือนกันโดยอนัตเรื่องของจิตมันคิดกันละเอียดต่างกันละถอนควเฉียวเสียหน่ม า, นหนากหรืน้อยก่ากันมันเป็นละเอียดถึงไปเป็นแผงขัง้นมีห th มายถึงผู้ที่ชอบวกวนเยงหน่ายตายเกิดเนื้ออยากมีค ว, วามสุข ตามฐานะไหนที่พ้นตนอายุนคิดกันหรือมีโรงหมอโรงพยาบาลสวรรค์เพราะมีโรคไข้เหยียดเยียดกายอายุมากกว่ามนุษย์มากตามตำหรับตำราที่แต่งกล่าวไว้มีอายุยืนยาวอย่างเช่นกล่ากว่าเตเกิดสวรรค์ ไปเจ็บดอกไม้ในหมดบินกุศลจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในรูปในโรงเรียนเป็นอ่านอายุตังร้อยปีแล้วก็ตายไปอีกเพราะคนามห่วความชอกใจคนยินดีในสวรรค์มันมีความสุขมันมีความเพลิดเพลินจะมีโรคภัอะไรเบียดเบียนจะตรงแสดงหาข่าวตาอาหารมันก็เกิดขึ้นมาเอง ควงความหงื่อความคิดถึงสวรรค์นั้นเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เวลาหมดยินหมดจิตนยังอยู่ในสวรรค์ไม่ได้ก็รีบเร่งรักวยทาทานรักษาศีลเปิดเนตตาภาวนาตามกาลังตามสามารถพอตายจากชาติเปนนุษย์ได้เกิดอีกในที่เก่าพอใจจิตใจยินดีใจชอบพอ ในสถานผืนนั้นท่านไปเกิดสวนอีกพวกนั้นยังหนีหนีแตกต้นดอกไม้ยังเกิดดอกไม้อยู่คนคนนั้นคือนักเกิดเป็นมนุษย์ตั้งร้อยปีกลับไปพวกนั้นยังหนีหแตกขี้ขี้แสดงว่าอายุของเขาเยืนยาวมากอายุของเราสั้นนิดเดียวแต่เรากลัวไหลเขาจะบอกอายุมันจะยืนท่านนั้นีเท่นี้ที ทั้งที่สุดยากลำบากขนาดไหนก็มีจิตใจที่จะสร้างคุณงานความดีเม <c oughs> ื่อหน่มีทุนคือบุญคือกุศลนั่นก็ได้ลไปเรื่อยต่ำลงไปเรื่อยเกิดมาป h a r m ในที่นี้พี่จ้านะในการสะสมสุณงานความดี ยังจะเกิดมากินมาขี้นาเกิดมาเต็มอย่างน้้นตัดไม่ได้ปฏิบัติทางทางดางศีลทางภาวนาต้องจบคุณค่าตายไปตัวนี้จากแบบมันจะไปเกิดเป็นอะไรอีกท่านจีอย่รหยุดเลแต่ทำมันเขเอาไว้พาเราทุกคนจะต้องตายไปเดี๋ยวเาจะอยู่ดี๋ยกันเรื่อยไป มันจ่มันจะตาย่ากกันไปทถานั้นมันมีใครที่จะอยู่ความฝ้า <c oughs> ต้องต่างคนต่างตายกันเัา ม, มีความตายเป็นเรื่องหน้าอย่างนั้นเราควรเหลือที่จะตระมาทเมินเฉยยล้วจะทำเงนเพิ่มเรีบร้อเรื่องหลังหวยทำความดีเอาไว้เหมือนกันกันกบคนไปแสวงหาอาหารการกิน มีต่แต่เสืแต่เสื้อแต่เดินแต่นอนมีแ่แสวงหาอะไรแต่วันมันเยอนจะท่ำแล้วเป็นตตกลงไปจะแสวงหาอะไรเห็น่ีแต่มีอะไรติดมีมาทำอดอยาตากแห้งมันก็เกิดขึ้นเพราะมันมีอะไรจะอยู่จะกิน คนที่ไม่ต่อมาไม่ดต่อยัเวลาให้เต็หมนเวลาไปสวงหาอะไรที่จะเปนอาหารได้เขาก็แสวงหาดีด่งขวนคายเอาพอเขากลับมาถึงบ้านเขามีอาหารอยู่กินของเขานื่เทียว กับเลื่อของขาการมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่ท่านในตามานิสาพยายามทำคุณงามความดีทานก็พยายามทําศีลกบพยายามรักษาภาว น, ก น, นากับพยายามจะทำบ่มเพลิงคนเจิมนั้นได้เสือคนในตามานเขาตายไปถึง ย, ง, ย ง, งยังไม่ถึงมรรคผลยึทานเหนือใดเขาเหล่านั้น เพราควรจะมีความสุขกายสุขใจเพราะเขามีกรรมดีสนับสนุนแต่เขาไปเกิดในสถานที่ดีในผิดหวั ง, งจนคนประมาทก็ไังมีทางที่จะประสบพบความสุขความสบายได้พออาศัยความประมาทเลือแต่ทา ม, มันเป็นอะไรจะอยากจะมีความสุขกายสุขใจอย่างเขามันเป็นไปไม่ได้ เกิดดีผลมันก็ดีเกิดชั่วผลมันก็ชั่วทเียย่อ้นเ่อองกรรมให้มากเรามีกรรมเ่งของของกรรมมีกรรมป็นสิเหตุผลเหตุผลอย่างไรก็คือที่เราเห็นกรรอยู่เนี่ยเราอยู่เดยนี้ผลของกรรมตามมาให้เตุอะไรห่างกายของเรา โอดๆแอดในงามตามปาธนาขพวกรรมของเราสร้างเอาไว้โมีดามันดาด้ปุยาตาถวดมาให้เราเราเออสะสมเอาไว้เราจึงมีร่างกายเป็นอย่างนี้มีความสวดความทุกข์เป็นอย่างนี้ถ้าเราปาธนาดีกว่านี้หความสุขให้ยิ่งกว่านี้เราก็ในควนที่จะตระมาทเินเฉย รีบ่ทําบเพ็ญล้วเสียเรามีใครถกใช่ไหแดงแเอาไปเราหว้พระเสียมนจิตใจเย็นใสในทำส่องของพุทจ้าคารบบูชาดุราชาเสืออกไปในการหว้พระทำว่าเสีบมณต่าง หายใจเหงื่อใสเสียนใจได้แตทําคุณกรมดีอย่างนั้นอย่างนี้ล้วก็ทาบุญทางมาจาของเราจิตใจของเราก็ส้องจิตใจของเราก็เย็นย็นการห้ทานเราก็จะทาบําเพลิตานาดีของเราอยากมา